อย่าเลินนะสารณะของเราคือพระปริยัติอริยมรรยพนดังนั้นคำสอนที่กล่าวด้วยเรื่องราวเหล่านี้เป็นธรรมบังสารานาังขาฉามเิเคยถามว่าทำไมปฏิบัติไม่ใช่ธรรมบังสารานาังขาฉามิอุสลจิตที่เราเกิดขึ้นทำไมไม่เป็นธรรมบังสารานาังขาฉามิแต่พุทธโอว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมบังสารานังขาฉามิเคยคิดไหม ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเอาถามว่าทําไมกุศลจิตกุศลธรรมดานะทำไมมหากุศลจิตไม่ใช่ธรรมังสรานังฆาชามิเอาเอามาให้ก่อนนะธรรมังสรานังฆาฉามิทำมาได้แก่อะไรปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานนี่คือเนื้อหาของคําว่าธรรมังสรานังฆาชามิทําไมกุศลจิตที่เราเกิดทุกๆขณะเนี่ยทาไมไม่เป็นธรรมังสรารนังฆาชามิ คือทวนีกทีนะถ้าพระธรรมที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยนะหนึ่งนะปริยัติใช่ไหมสองมรรคจิตผ ล, ลจิตใช่ไหมมรรคจิตบอกไปเลยว่ามรรคจิตผ ล, ลจิตใช่ไหมแล้วก็นิพพานใช่ไหมฮะแต่รรกุศลรจิตเนี่ยทําไมจึงไม่เป็นที่พึ่งของเราทําไมไม่เป็นธรรมังสารนังข้าพเจาทำไมไม่เป็นธรรมังสราร น, นังไม่เป็นพระธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอเอากุศลจิตของข้าพเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งทำไมไม่ได้ไหมเพราะอะไรครับ อเขาทานใช่ไหมครับเพราะกุศ ล, ลจิตนี่เนี่ยที่เกิดขึ้นขณะ น, นี้ถ้าขณะที่กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นนะเข้าไปมีเข้าไปยินดีในกุศลก็เป็นอุปาทานแล้วกุศลจิตก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานขันารเออเขาพันกุศลจิตเป็นอุปาทานขาคารมันกุศ ล, ลจิตของเราเนี่ยเอาเป็นหลักได้ไหมเอาเป็นหลักไม่ได้ถึงกุศลเนี่ยดีแตก คำสอนพระพุทธเจ้ากลับสอนให้เจริญกุศลจิตแต่กุศลจิตที่เจริญไม่ใช่เอากุศลนี้เป็นสารณะแต่คำสอนที่กล่าวให้สอนเจริญกุศลจิตคำสอนนั้นเป็นธรรมังสรารนังข้าฉามนี่นะตรงนี้ญาติจัวอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะเออคือมรรคจิตผลจิตเนี่ยไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเห็นไหมจึงเป็นธรรมังสรนังอะ่ะ จิตแปดวงนิพานไม่ได้เป็นอารมณ์ของอุปาทานตัณหาไม่ได้เข้าไปยึดเลยโดยตัณหาทิฏฐิก็ไม่สามารถเข้าไปยึดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่พึงเราแต่กุศลได้เอางี้นะกุศลเราเอางี้นะกุศลจิตเราเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเปลี่ย น, ปยนแปลงคำสอนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนท่านคำสอนของพระองค์สอนให้เจริญกุศลจิต ตัวคำสอนที่สอนให้เจริญกุศลจิตคําสอนนั้นเป็นธรรมังสารนังข้าฉามิแต่กุศลจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยคําสอนบอกว่าให้พิจารณากุศลโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่กุศลถึงไม่เที่ยงก็เจริญสอนให้เจริญนั้นพุทธโอวาทคําสอนพระพุทธพจน์หรือตันตินั่นแหละเป็นธรรมังสารนังข้าฉามิอันแม้กุศลจิตของเราเนี่ยจึงไม่ใช่ธรรมังสารนังข้าฉามิจริงจเพราะว่า คิดมามาหลายปีแล้วคำนี้ทาไมไม่เอาธรรมะเออเอากุศลจิตเป็นธรรมังสารนังทไมไม่เอาคําว่าปฏิบัติเป็นธรรมังสารนังข้าฉามิคือเป็นที่พึ่งได้แต่ไม่ใช่ที่พึ่งสูงสุดเจนผานใช่คือไม่ใช่ธรรมังสารนังข้าฉามิที่ณตรงนี้อนณที่เป็นพระรตนาตรัยแต่พระรัตนาตรัยคือธรรมังสารนังข้าฉามิสอนให้เจริญกุศลจิตนั่นแหะ พันคนที่ถ้ามีธรรมะเป็นสารณะต่อไปอีกบอกธรรมะจะสอนว่าแม้แต่กุศลจิตคุณเกิดด้วยปัจจัยนะกุศลจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เทียเท่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นแหละเมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราแต่คำสอนสอนว่าเจริญกุศลจิตให้หมากนะเพราะคาสอนเนี่ย จึงเป็นสารณะกุศลจิตจึงไม่เป็นสารณะถ้าเอากุศลจิตเป็นสารณะนะสมมติเมื่อวานของธรรมาไปให้พวกูการก็เอาเอาปลานะเนาบอกว่าท่านไม่เคยปล่อยปลาเอาปล่อยปลาท่านไหนแล้วก็ปล่อยปลาขณะที่ปล่อยปลาเป็นกุศลไหมเอาเป็นสารณะได้ไหมไม่ได้นั่นแหละเพรา ะ, ะสังเกตดูว่าทำมังสารนังค่ะถามแต่คำสอนว่าด้วยให้การให้ทาน คำสอนที่ว่าด้วยการรักษาศีลคำสอนที่ว่าด้วยการเจริญภาวนาคำสอนนั้นเอาเป็นสารณะได้อาจารย์คะใช่เพราะอย่างนั้นถ้าเกิดเราพูดคําว่าอะไรที่พูดแบบทำมังตระนังคาสามินี่ น, นะคะเราก็จะต้องทําทานผุศลนคิดถึงตรงนั้นไม่ใช่ว่าขออย่างเรียวถูกไหมคะฟังไม่เข้าใจเลยใช่คือคื อ, อย่างนี้ค่ะที่เราพูดทุกคําว่าทำมังตะระนังคาสามิใช่ไหมคะพูดทางตะระนังคาสามิใช่ไหมคะ เราก็ไปคิดว่าเราเป็นกุศลเพราะเหตุว่าเราหมายถึงเราจะต้องทําทานศีลภาวนาอะไรถูกไหมถ้าเกิดถ้าเกิเาคิดอย่างนี้เนี่ยมันหมาถึงทําตามพระพุทธอมอ์มอเอาเอาง่า ย, า ย, ายๆนะะพระพุทธเจ้าสอนเราว่ายังไงให้เราไปทํา <ทำ S 2> ตามาอะไรเ อ, อทํา <ทำ S 2> ตามนั่นแหละคือสารณะของเราแต่กุศลจิตของเรานะที่เจริญเนี่ยดีแล้วคำสอนบอกว่าดีแต่ว่าอย่าไปยินดีกับ กุศลแค่นั้นนะนั่นแหละพระองค์ไม่กล่าวการหยุดอยู่แห่งกุศลสอนให้เจริญกุศลอย่างเดียวจะปล่วยกล่าวใบยายถึงอกุศลเล่าเหมือนกันแม้แต่กุศลก็ไม่ให้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ให้ยินดีในกุศลไม่ให้แค่สันโดษในกุศลคําสอนพระเจ้าบอกให้ไม่สันโดษในกุศลแต่ถ้าเป็นอัพยากตะธรรมนะปัจจัย4เนี่ยสอนให้สันโดษแต่กุศลไม่ได้สอนให้สันโดษ ธรรมะสองอย่างที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรนั่นแหละดังนั้นตัวคําสอนพุทธโอวาทจึงเป็นธรรมังสารานางังฆะฉามิแต่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อเราทั้งหลายเข้าถึงโลกุตระจิตนั่นแหละของเราจึงจะได้สภาพของตัวเองจึงจะได้ถึงระดับเป็นธรรมังสารานางังฆะฉามิได้ขณะที่ได้มรรคจิตผลจิตไปแล้วเพี่บอกว่าท้าเพียรอย่างนั้นไม่เป็นตัวตนเลยครับนั่นแหละ อ่าเพียนแล้วเป็นอัตตาไหม ถ, ถ้าถ้าเพียนเจริญกุศลเป็นอัตตาไหมไม่ต้องห่วงนะถ้ากุศลและจิตเกิดเอางี้นะสมมุติเลยเอาของมาเป็นพระเอะตัวอย่างง่ายดีไม่มีใครฟ้องเลย <c oughs> ไม่มีใครตำหนิถ้ามาปล่อยให้จิตเป็นบาปดีไหมไม่ดีอ๋อไม่ดีทําไมไม่ดีอะเพราะเห็นว่ามันจะสะสมอักถ้าจะถ้าจะมาจะคิดให้เป็นกุศลกลัวจะเป็นอัตตาเอา้าเมื่อกี้ว่าเป็นใช่ไหม อ, อตั้งใจเจริญกุศลเป็นอัตตานะโอ้อนี่นะสมมดิโอ้โหเราเห็นะอนั่นก็นดีอันนี้ก็ดีออยากฉันข้าวเย็นนักเกินอย่างเงี้ยอ<ม>ถามว่าความคิดอันนี้ปล่อยให้เกิดดีไหมไม่ดีแน่นอนเอาถ้าเจริญกุศลจะเป็นอัตตาแล้วจะทํายังไง ค, <c oughs> คือกินก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออกจะทําทัางไงดีไม่ใช่ค่ะคือท่าน ง, งั้นคุณที่พูดอย่างนี้ไม่ไมใช่ท่านนะคะคือไม่เข้าใจคําว่ากุศลกับอัตตาอ่านั่นแหละ เพราะฉะนั้นก็ทวนความเข้าใจว่าอัตาคืออะไรอัตราก็คือความสำคัญหมายว่ากุศลตัวคนทํากับตัวกุศลมันอันเดียวกันนั่นแหละ อ, อักุศลอันใดอัตาก็อันนั้นอัตราอันใดกุศลก็อันนั้นแต่นี้ไม่ได้สำคัญเลยไม่ได้สำคัญอย่างนั้นสำคัญว่ากุศลเกิดด้วยปัจจัยถ้าหากว่ากุศลไม่เกิดเสียหายไหมน่ถ้ากุศลไม่เกิดก็เป็น อกุศลอกุศลเนี่ยหนึ่งเบียดเบียนตนสองเบียดเบียนผู้อื่นนะถ้าจะยิ่งเป็นพระเนี่ยปล่อยให้จิตเป็นบาปเนี่ยเบียดเบียนชาวบ้านไหมเขาบอกว่าดูความพิสูจทั้งหลายทานที่ให้กับสมณพราหมณ์ผู้มากไปด้วยกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทานนั้นไม่มีผลมากไม่มีอนิสงมากอันนี้ภาวดีไหมเอาสมมตินะเออนั่งฝันวานุสมัยก่อนนะเราไปชอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดีไหม ไม่ดีอย่างเงี้ยบาปอากุศลท่าพระองค์บอกว่านี่ถ้าถ้าเธอคิดอย่างนี้นะเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถอยแห่งปัญญาแม้กระทั่งพระธรรมคําสอนที่ศึกษามาดีแล้วนะถ้าปล่อยให้จิตเป็นอกุศลพักเดียวแค่นั้นเนะี่ะธรรมะหายหมดเลยโู้ธรรมะนี่กลัวโลภะจรงิงๆเลยไม่รู้หนีไปไหนหมดเลยมันจะต้องรีบทํำยังไงจึงจะข่มได้อ่าถ้าข่มให้ข่มยังไงก็บอกว่า ผมด้วยการพิจารณานั่นแหละให้พิจารณาถึงโทษภัยต่างๆของอกุศลเนี่ยถ้าเราคืนปล่อยอย่างนี้เนี่ยอนาคตการบวชไมย่ยุดแน่นะอย่าว่าอย่าว่าเจริญกุศลเลยจะบวชก็ยังจะบวชอยู่ไม่ได้ถ้าปล่อยให้ความคิดเหล่านี้มันเกิดเกิดมากใช่ไหมฉะนั้นคำสอนจึงสอนให้เจริญสัมมาปฏิธานสิเพราะว่าแต่คนนั้นต้องเข้าใจว่าเอาถ้าเจริญกุศลน่ะเจริญกุศลเนี่ยเจริญได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนั้นจะต้องมีสติและสามประชัญญะต้องรู้ด้วยว่าปัจจัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลกุศลคืออะไรหนึ่งทานกุศลสองสีลกุศลสามภาวนากุศลทานกุศลจะเจริญเจริญได้อย่างไรใช่ไหมไม่ใช่โอ้อยากจะได้กุศลจนไม่รู้เอ๊กุศลมันเป็นยังไงอีกก็อย่างงี้ก็ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าคนนั้นต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือกุศลอกุศลแต่ว่าศึกษาธรรมะเบื้องต้นนี่ก็พอรู้ได้แล้วว่าอะไรคือกุศลอกุศลใช่ไหม ทำยังไงศีลกุศลจึงจะเกิดขึ้นนะทำยังไงจะตุปาริสุที่ศีลจึงจะเกิดขึ้นใช่ไหมอมองยังไงหนึ่งจึงจะไม่เป็นอบัตก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นปาติโมฆะสังวรพระเนี่ยใช้สายตาบางอย่างเนี่ยเป็นอบัตนะไม่บอกก็ทําทอะไรเดี๋ยวโยมรู้ฟ้องกันได้นะมองบางอย่างนะมองผิดที่มองผิดตําแหน่งเป็นอบัตสอง ถ้ามองไม่ผิดตำแหน่งนะแต่มองด้วยโลภะขาดอินทรีย์สังวรสามถ้าไปมองในสถานที่บางแห่งไม่ปัจเวกไม่ได้ปัจจยะสีนิสิตสิ น, นอัะนะพูดอ่าเรียกว่าใช้สายตาเราห้อยเพื่อที่โอ๊ยอยากได้อันนั้นเหลือกเกินเนี่ยนะคล้างเนี่ยเป็นไปลักษณะาอาชีพไม่ค่อยดีนะนั่นแหละ หรือไปปฏิบัติโอ้โหการเราใช้สายตาแบบนี้นะคนจะได้ศรัทธามากๆอะไรแบบนี้อาชีพไม่ดีละอาชีพไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นแม้บอกโอ้โหถ้าเราใช้สายตามองแบบนี้นะคนจะได้เข้าใจว่าเราเป็นพระอรหันต์ยังไงไอแบบนี้ก็ผิดอีกอาชีพที่ได้มานั้นอาชีพนั้นไม่บริสุทธิ์ <c oughs> เพราะฉะนั้นแม้แต่ใช้แต่ตายตายังไงจึงจะรักษาศีลได้เป็นจตุปริสุทธิศีลทีนี้ต่อไปอกีก มองอยังไงจึงจะเป็นสมถะกรรมฐานอมองอย่างสมถะคืออะไรประเภทเมตตาเป็นต้นมองอย่างไรจรึงจะมองด้วยเมตตาเป็นเรียกว่ามองด้วยสายตาที่เป็นอ่ะนะเหมือนกับน้ํากับน้านมซึ่งมันเข้ากันได้ไม่ใช่น้ํากับน้ํามันมันเข้ากันไม่ได้ทั้นมองด้วยจากสู่ที่เป็นมิตรเป็นต้นเป็นภาวนาคุศลเป็นประเภทภาวนากุศลประเภทสมถะแล้วมองอการมองนั้น่ะ เอาใช้สายตาไปมองอะไรอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ดูอะไรแล้วกุศลไม่เจริญอย่าไปดูมันดูอะไรแล้วกุศลเจริญสอนให้ดูท่านพูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะว่าวิธีที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะถ้าจิตเป็นอกุศลวิตกเนี่ยแล้วก็มีวิธีเปลี่ยนยังไงเนี่ยมีบอกไว้ละเอียดมากเลยนะเช่นเปลี่ยนอารมณ์เสียอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้าอารมณ์นี้มันยังเกิดอกุศลเอาเปลี่ยนอารมณ์เสีย แต่เปลี่ยแล้วยังเกิดอีกเอ้าดูที่ว่าโทษมันเป็นยังไงศึกษาที่ว่าโทษมันเป็นยังไ ง, งศึกษาโท ษ, โทษแล้วก็ยังก็ยังอกุศลอยกนะก็มีวิธีต่อต่ อ, ตอไปหลายวิธีทั้งห้าวิธีอะเราเราเคยได้ยินนะเมื่อชาวสนทนากันชื่อของพระพาหยะเหมือนกันที่ว่าเธอพึงอดูก่อนพาหยะเธอพึงทําศึกษาว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นยังไงเห็นสักแต่ว่าเห็น ทีนี้เราเราลืมส่วนมากจะลืมคําต้นใช่ไหมเธอพึงทำศึกษาว่าลืมคำคำคำต้นอะ่ะเธอพึงทำศึกษาว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นไอเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยจากขู่วิญญาณชื่อว่าทิฏฐะสัมปติชนะสันติรณนะโอ้ทพนาพวกนี้เป็นทิฏฐมัตต์นะคือเป็นประมาณของจากขู่วิญญาณจากขูวิญญาณมีโลภลพาไหมไม่มีโสตากะสัมปติชนะสันติรณนะมีโลพาโทสามโมหะไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นชาวนะเนี่ยให้อนุวัตตามจากคูวิญญาณจากคูวิย ญ, ญาณไม่มีโลภะอันในชาวนะก็อย่าไปให้มันมีโลภะเหมือนกันแต่บอกไว้ก่อนนะศึกษาศึกษาเป็นชื่อของศิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาก็เห <c oughs> ็นนั่นแหละแต่เห็นด้วยสิกขาสามนั่นแหละชาวนะเป็นศิกขาสามมองยังไงเป็นศีละกุศลมองยังไงเป็น สมาธิกุศลมองอย่างไรเป็นภาวนากุศลเพราะฉถ้าบอกว่าเออเห็นสักแต่ว่าเห็นโหเห็นสักแต่ว่าเห็นอันนะอริยสัจที่บรรลุคือหนึ่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นอริยสัจข้อไหนเป็นมรรคสัจไหมเห็นสักแต่ว่าเห็นต้องต้องไม่ทิ้งว่าเธอเพิ่งทมศึกษาวะไอตัวศึกษาตัวนั้นเป็นมรรคสัจข้อตัวศึกษาตัวนั้นเป็นข้อปฏิบัติ ตัวศึกษาในขณะเห็นเนี่ยตัวนั้นเป็นข้อปฏิบัติเอาศึกษาเป็นประมาณในขณะเห็นแต่ว่าศัก์แปลว่าเห็นเนี่ยแปลว่าอย่าไปเห็นด้วยโลภะโทสะและโมหะเห็นด้วยโลภะเป็นอย่างไรเห็นด้วยโลภะเป็นยังไงนะเห็นแล้วสายใจในสุภานิมิตงามจังลักษณะเนี่ยเป็นสุภาพนิมิตเนี่ยโลภะเกิดไอ้ยางนี้อย่าไปเห็นนะ เห็นแล้วโทสะเกิดเป็นยังไงก็คือสายใจในปฏิฆะนิมิตเห็นแล้วอุเบกขานิมิตเออเห็นแล้วเฉยเฉยเอาไหมเห็นแล้วเฉยเลยเป็นอุเบกขานิมิตเป็นอารมณ์ของโมหะทีนี้แปลว่าเห็นสีนั่นแหละสีนะตอนตอนต้นๆ้ น, น, น, นเลยสมัยนูน้นเมื่ อ, อ พ, พุทธพาณนแหละเราเคยเรียนเรื่องกุศลจิตนะกามาวาจรังกุสลังจิตตังอุปนังโหติ นะกามาวาจรกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไนโสมนัมสสาหะคาตังญาณสัมปยุตตังนะโสมนัสสาแปลว่าโสมนัสแปลว่าเกิดร่วมกับความดีใจญาณสัมปยุตตังแปลว่าประกอบด้วยปัญญาอุปนงังโหตินะกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยรูปารมณังว่ามีรูปเป็นอารมณ์นะกุศลจิต สัทธารมณ e e um. ok do um. oh ังวากุศลจิตเกิดข <mass> ึ้นโดยมีเสียงเป็นอารมณ์คันธารมณังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีกลิ่นเป็นอารมณ์ระสารมณังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีรสเป็นอารมณ์โพธารมณังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีโพธิภะเป็นอารมณ์ธัมมารมณังวากุศลจิตเกิดขึ้นโดยมีธรรมะเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าธรรมอารมณ์อกุศลจิตเกิดขึ้นโดย รูปารมณังวาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกุศลจิตแปลว่าความฉลาดไม่มีโรคไม่มีโทษอนามัยดีตัวจิตอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยมีสีเป็นอารมณ์กุศลจิตเกิดขึ้นมีสีเป็นอารมณ์หนึ่งกุศลจิตนั้นต้องเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลเป็นไปกับภาวนาทานศีลภาวนานี้จะล่วงทั้งทั้งที่มีสีเป็นอารมณ์บางครั้งก็เป็นกายกรรมบางครั้งก็เป็นวจีกรรมบางครั้งก็เป็น มนโนกรรมอ่ะถ้าบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นะย้อนกลับมามันเป็นยังไงถ้าเห็นแค่ใครใครจะหยุดอยู่แค่จักขูวิญญาณทําได้ไหมไม่ให้ชาวนะเกิดเลยจะให้เป็นโมฆะวาระตลอดเลยก็ <c oughs> เ, เรียกว่าเจ้าชานิทราหลับสนิทอีกก็ <c oughs> อบอกว่าเป็นเจ้าชานิทรานะถ้าแค่ชาวนะจิตไม่เกิดเนี่ยคนเดือดร้อนนะนะหลับตลอดไม่ตื่นเลยลองดูสิ คนเดือดร้อนนะนั่นต้องรงพยาบาลเนี่ยทำยังไงปั๊มหัวใจใหญ่เลยจะได้ฟื้นตื่นขึ้นมาหลับนานเกินไปคนก็เดือดร้อนอีกนะเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้แค่ผวังขจิตเกิดหรือถ้าจะเอาผวังขจิตเกิดเลยนะไม่รับรู้อะไรเลยเอาไหมมีนะอ่ามีพญานาคคนหนึ่งสมัยที่พระผู้มีพระภาคลอยถัดลอยถัดที่แม่น้ําเนรัญชราเพื่อที่จ้าที่ฐามว่าเอ๊เราจะได้บรรลุไหม ถ้าได้บรรลุขอให้ถาดเนี่ยลอยน้ําขึ้นไปแล้วก็ปล่อยไปถาดลอยน้ําจริงๆอ่ะพราะถาดลอยน้ําไปปุ๊บแล้วก็จมลงไปตกไปที่ที่เมืองบาดาลเขาเรียกว่าที่อยู่ของนาคราชอานาตัวนั้นเนี่ยตื่นลืมตามาแป๊กอะไรวะเมื่อวานก็บรรลุไปองค์หนึ่งวันนี้บรรลุอีกแล้วเลยตื่นแล้วหลับต่อไปอีกเขาหลับทิ้งเป็นพุทธันดรเลยอ่ะก็เขาบอกอดีตชาติเนี่ยเป็นสามเณรเป็นสามเณรเนี่ยพระเนี่ยใช้บ่อย ง่วงอะเนาะตามภาษาเด็กๆอะเนน่ะง่วงพระเนี่ยใช้บ่อยก็เลยทําบุญแล้วก็ปรารถนาให้ได้หลับยา้ายาเอาทำเอาขนาดนั้นเลยนะอยากนอนอ๋ <c oughs> อไม้ยังจําได้เลยแต่ไม้เต้โอ้แต่ไม้ต่ไมนะบวชบวชใหม่ๆอังกต์เป็นเนเเเเนเล็กๆเคยบวชเนนเล็กพอบวชเข้ามาแล้วตีสามตีสี่เนี่ยตีละคังทําวัดเชา้าแล้วโอยมันง่วงอย่าบอกใครเลยง่วงยริงี อสวดไปนี่แบบะงบไปอยู่นั่นแหละโอคิดหนึ่งโอ๊เวลาเอ็ดนาคตัวนั้นที่ปรารถนาต้องสายเหมือนเราสมัยนั้นง่นอนเลยนะอยากนอนจริงๆอ่ะไม่ได้นอนเดี๋ยวโดนธรมกรรมอีกอะจะไม่ไม่ตื่นมาทําวัดเดี๋ยวโดนธรรมกรรมอะไรนั้นมันเป็นอย่า ง, ง น, นั้นนะนั้นแม้แต่ชาวไอ์พวังคจิตเกิดต่อไปเอกพระองค์บอกว่าชีวิตของคนในขณะที่เป็นพวังคจิตเป็นชีวิตที่เป็นหมันเป็นชีวิตที่ไม่งอกเงย อ, อะไรเลย ใช่ไหมเป็นชีวิตที่ไม่ง้องเงยเพราะองไม่สางเสริญการหลับนั่นแหละแล้วตื่นตื่นด้วยโลภะดูทีวีทั้งวันเลยนะจะได้ตื่นอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ตำเนียอีกบอกถ้าตื่นแบบนั้นนะหลับเร็วน้อยกว่า <c oughs> ถ้าตื่นแล้วอกุศลจิตเกิดเนี่ยหลับเนี่ยเร็วน้อยกว่าอย่างน้อยก็กินบุญเก่าใช่ไหมไม่ก่อกรรมทําเข็ญอะไรเพราะเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิด อุปาทานกับตันหานี่มันแปลว่าอย่างไงก็บอกว่าชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นตันหาชาวนะดวงที่สองเป็นอุปาทา น, นก็อยู่ตรงนั้นแหละ <c ười> ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วทิฏฐิเกิดร่วมกับตันหาไหมถ้าถ้าสมมตินะปัญจ ม, ม, มนโนทวาราวัชนะเกิดขึ้นที่เรียกว่าอาวุธทพนาเกิดขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วต่อด้วยโลภะโลภะดวงที่หนึ่งมีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยใช่ไหม ไอโลภะอันนั้นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานที่ถิที่เกิดร่วมไอโลภะตรงนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยโดยสหาชาแต่ปัจจัยก็เอาตรงนั้นแหละแล้วเป็นปัจจัยแก่ภพเป็นเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่เจตนาก็เจตนาก็อยู่ตรงนั้นแหละอันตันหาอุปาทานพบอยู่ที่เดียวกันเป็นสัมปยุตแตปัจจัยเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะมีผลไหมมีผลดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นทิทรร่ถถัมดวงที่เจ็ดให้ผลเป็น อุปชาชาติหน้าสองถึงหกอัป ร, ราปริยะเวทนียกรรมเพราะฉะนั้นชาวนะที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นเนี่ยมีผลแล้วชาวนะที่เห็นขณะเห็นเนี่ยมีผลต่อไปในอนาคตพบหน้าเราไปไหมาาชาวนะนั้นดับไปปุ๊บจตุติต่อได้เลยเจ้ไหมจตุติสามารถเกิดต่อจากปัญจทวารวิถีก็ได้ต่อจากมโนทวารวิถีก็ได้ ไม่ใช่ยากเลยไม่ไม่ได้ไกลเลยนั้นพบใหม่นะนั่งอยู่อย่างนี้ดูเหมือนไกลามากแต่ครับที่ที่โรงพยาบาลนี้จะเห็นอ้าวเดี๋ยวเตียงนั้นจุเตียงนั้นปฏิทนที่อีกล่ะเตียงนั้นโอแวะแวะท่านถันมาทั้งผมเลยเลยอะ่ะ <c oughs> อา้าวท่านว่าไงครับ เ, เมื่อกี้นี้จบไปแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้ถามไปยังไม่ได้สรุปเลยครับ บอกว่าถ้าหากว่ามีความเพียร น, ะ, นะแล้วเป็นตัวตนไหมนั่นน่ะสรุปว่าถ้าเพียรที่จะทำกุศลนี่นะฮะถามว่ามันเป็นตัวตนไหมท่านก็อธิบายไปแล้วนะตอนนี้ท่านก็บอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามันเป็นอกุศลก็มาให้ทาถ้าจะทำกุศลก็เป็นตัวตนไม่ให้ทาอีกเอ๊ะมันยังไงกันนะครับเราจะเห็นว่า ถ้าเราเรียนปริยัติมาแล้วนะถ้าจิตเป็นมหากุศลนี่นะครับจิต<ม>เป็นมหากุศลเนี่ยนึงมีตันหาไหมครับไม่มีตันหาสองคำว่าตัวตนเนี่ยมีทิฏฐิไหมไม่มีทิฏฐิครับเพราะว่ามันเป็นมหากุสล์ด้วยถ้าเกิดเป็นญาณสัมปยุทธ์ด้วยคิดดูสิครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับและขณะเดียวกันนะถ้าเราพิจารณาว่าสมมติว่าเป็นทิฏฐิประเภทอัตตา อตวาทุปาทานอัตตาเนี่ยเกิดเพราะอะไรอาศัยอะไรจึงเป็นอัตตาทั้นคําสอนที่กล่าวถึงว่าอาศัยจากสุขและรูปเกิดจากโควิญญาณความประชุมทั้งสามเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานคําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนเพื่อชําแรกอัตตาเลยเพราะว่าจริงๆไม่มีอัตตานะขณะเห็น ซึ่งลัทธิบางลัทธิเขาค่ากับว่าอ่านะทวารทั้งห้านะคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเหมือนกับคนอยู่บนหน้าต่างข้างบนอ่ะนะบนปราสาทชั้นบนมีหน้าต่างอยู่ห้าช่องอ่าคนที่มีอ่าอยู่ปราสาทชั้นบนมีหน้าต่างห้าหน้าต่างเนี่ยอยากจะเห็นรูปทางใดก็จะไปเปิดหน้าต่างช่องนั้นๆดูใช่ไหมมีห้าห้าทิศหรือสี่ทิศเนี่ยก็ไปเปิดอยากดูทิศใต้ก็ไปเปิดหน้าต่างทิศใต้ดูอยากดูทิศเหนือก็ไปเปิดทิศเหนือดู มีผู้เข้าไปดูอยู่ตรงนั้นอยู่นะเป็นเป็นเป็นอัตตาอยู่ตรงนั้นนะเป็นเหมือนกับผู้ที่คอยไปดูหรือถ้าพูดแบบทั่วไปนะว่าตัวสมองเป็นผู้สั่งงานเลยปื้อตัวนั้นแหละเป็นตัวทำหน้าที่ของมันตลอดเลยนะถ้าเป็นลักษณะนั้นเป็นเรื่องของเป็นไปได้ว่าเป็นอัตตาแต่ถ้ามีความเข้าใจศึกษาพระธรรมถูกจึงไม่ใช่นะคือไม่ได้สาคัญผิดเลยว่ากุศลจิตนั้นเป็น ตายก็ไม่ได้สําคัญว่าเอเราอันใดกุศลจิตก็อันนั้นแต่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมจะรู้ได้ด้วยว่าแม้กุศลจิตนี้เกิดขึ้นก็ด้วยปัจจัยทําไมเราจึงเจริญกุศลทําไมจึงเพียรเพื่อเจริญกุศลเพราะเรารู้ว่าถ้ากุศลไม่เกิดชีพหายแน่เสียหายแน่หนึ่งเสียหายทั้งโลกนี้ด้วยเสียหายทั้งโลกหน้าด้วยเสียหายประโยชน์อย่างยิ่งคือตัดขาดปัญญาที่เป็นไปเพื่อโลกุตระด้วย เพราะเราเห็นโทษจึงมั่นที่จะเจริญกุศลนะจึงไม่เหมือนกับกับกับธรรมดาของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมแต่ถ้าหากว่าศึกษาพระธรรมปั๊บจะสา ม, มารถแยกแยะชีวิตแต่ละชีวิตแยกแ ย, ยะแม้กระทั่งความคิดนั้นด้วยทําไมคือความคิดนั้นจึงเกิดถ้าถามว่าแม้แต่ที่ธรรมาพูดทําไมธรรมาจึงพูดอย่างนี้มีปัจจัยไหมไ ม, มีปัจจัยอะไรทําให้พูดอย่างนี้ท่านทรงปัจจัยไี่เด็กมากอ๋อไม่ใช่ นะปัจจัยที่คิดอย่างนี้ก็เพราะนะปัจจัยที่ที่ตั้งไว้ก็เอ๊ะทำยังไงเราจะพูดเป็นพระธรรมมากที่สุดเนี่ยนี่คือหนึ่งอัธยาศัยอันนั้นตั้งความคิดอันนั้นตั้งความป่าถนะวะวะ่าทํำยังไงเราจะได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็พูดพยายามพูดตามพระไตรปิฎกมากที่สุดเลยพูดตามคําสอนมากที่สุดอธิษฐานไว้อย่างนี้ทีนี้หลังจากนั้นมาก็เขาอธิษฐานมาเรื่อยๆว่าทํำยังไง เราจะกล่าวด้วยความเคารพที่สุดและหลังจากนั้นต่อมาอีกทํายังไงเราจะได้อ่านมากๆเข้าใจมากๆขึ้นจะได้กล่าวถูกอุปนิสัยเหล่านั้นมาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเพราะ น, นะความคิดต้องการเอ๊ะทำยังไงคนจะเข้าใจเรื่องนี้ความปรารถนาอันนี้เกิดขึ้นอยากให้ผู้อื่นเข้าใจอันนี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะความคิดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่จิตตัชรูป ก็เสียงก็ออกมาก็เป็นคําพูดไปแม้แต่จิตที่พูดนี้ก็เกิดด้วยปัจจัยอั้นถ้าปัจจัยเหล่านั้นหมดไปนะเช่นไม่คิดจะพูดจิตตะเชรูปนี้ก็ไม่เกิดจิตตชรูปเกี่ยวกับการพูดก็ไม่เกิดอั้นจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยหมดเลยใช่มอ่าถามว่าทําไม่พูดธรรมะไปพูดเรื่องอะไรพระองค์บอกวาอ่าเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมควรทําจิตสองอย่าง นะกิจสองอย่างเมื่อเข้าสู่ที่ประชมุมมีอะไรบ้างเคยได้ยินนะหนึ่งสนทนาธรรมถ้าไม่สนทนาธรรมนิ่งอย่างผ้าอารยะนิ่งอย่างผ้าอารยะคื อ, อยังไงผ้าอารยะท่านไม่ปราศจากสตินะนิ่งด้วยการใส่ใจในกรรมฐานหมวดใดหมวดหนึ่งใส่ใจในพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งนั่นแหละกิจของการเข้าสู่ที่ประชมุมมีสองอย่างนะ อย่างนี้เราเห็นภาพเลยว่าทําไมถึงสมัยพุทธกาลจึงมีผู้บรรลุมากมายก็โอ้โ ห, โหนักบวชเนี่ยนะท่านใช้ชีวิตท่านน่ะโอ้โหจะแทบทุกวินาทีเลยนะเป็นในเรื่องของกุศลหมดเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่วิปัสสนาก็สมถะถ้าไม่สมถะก็วิปัสสนาสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยเลยอะ่ะถ้าธรรมแล้วก็สนทนาธรรมก็เป็นกุศลทั้นทงนั้นเลยตลอดเวลาเลยแต่คะนั้นท่านกําหนดได้เลยเนี่ยอืมฉันจะต้องบรรลุ ภายในนั่นภายในนี่ใช่ไหมครับรกำลังชวนให้เอาใครไปบวช ม, ม้างะถ้าสะสมมากมากแล้วนะถ้าสะสมมากมากแล้วมีความกระยิมใจด้วยใช่ไหมครับคุณลุงบวชฮะ